อัฏฐาระวัตตะว่าด้วยวัต18ข้อในตัสปาปิยสิกากรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ถูกสงลงตัสปาปิยสิกากรรมแล้วพึงประพฤติโดยชอบการประพฤติโดยชอบในเรื่องนั้นดังนี้ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัย 3. ไม่พึงใช้สามเณรอุปถาก 4. ไม่พึงรับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. ไม่ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนละ 18. ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะครั้งนั้นสงฆ์ได้ลงตัดสปาปิยสิกากรรม แกภิกษุอุปวาระแล้วตัดสปาปิยศิกาจบ